จากเรื่องของคุณอาร์มครับเรามาปิดท้ายกันที่ผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายที่เราคุ้นเสียงกันเป็นอย่างดีแล้วก็มาแต่ละครั้งนี้ไม่เคยทําให้พวกเราชาวเดอะโกสส์เรดิผิดหวังฮะคุณคิงครับหรือว่า k คิงออฟโกส์ของเรานั่นเองครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่คุณคิงเนี่ยได้พบเจอกับตัวเองครับเมื่อตอนไปรับงานทําฟ้าเหมือนกันฮนะ เมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณบอยครับคุณบอยก็รับงานทำฝ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูกเก็ตครับแต่คุณคิงมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วครับใช้ชื่อเรื่องว่าอย่ายุ่งที่กูเรามาร่วมกันปิดท้าย The g h o โกส a d i o ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณคิงกันเลยครับสวัสดีครับคุณคิง โอ้โหคุณค oh, oh, ิงออฟโกด์นะฮะเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องคุอามป่ะฟังแล้วกันคุณน่ากลัวน่ากลัวมากะะโอ้จากคุณอารมผมว่ามาคุณคิงเดี๋ยวจะขนลุกกันไม่หยุดนะฮะคุณคิงตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยักแก้วอยู่ที่สักแก้วนะสักแก้วฝนตกไหมครับคุณคิงตกครับพี่เนาะช่วงนี้ฝนตกทั่วฟ้าฮะไม่ต้องห่วงรัษา รักษาสุขภาพด้วยนะคุณคิงนะขอบเช่นกันครับพี่บ่อยๆคุณคิงอ่ะนะครับ <c oughs> มาว่าถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่บอกว่าตอนที่คุณคิงไปรับงานทําฟ้าเราจะรู้จักคุณคิงในนามของคนปั้นต่างๆนะะผมกม็รู้ว่าคุณคิงมีอีกหนึ่งที่ทําฝ้าด้วยอ่าผมผมทําเกี่ยวกับช่างอ่ะ ก็ ม, มองว่าผมทำทุกอย่างนะจิงไฟฟ้าอย่างเดียวโอ้โห و, เูเก่งมากเก่งมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละที่คุณคิงไปรับงานที่สุราษฎร์แล้วก็ไปเจอเรื่องนี้เข้าครับไปเจออะไรมาคุณคิงเชิญนะฮะเอ่อจะว่าผมเจอด้วหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงอะไรพีจัยแต่ว่ามันต้องลองฟังดูพี่ว่าว่าจนใหญ่จะเป็นคนรอบตัวผมไดโดนครับถ้าผมคือว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตอนที่สักห้าปีประมาณห้าปีได้แล้วฮะครับ ห้าปีทีแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกรายการแจกจะยังไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่นี่เนาะแล้วก็มันจะมีช่วงที่ว่าคือเราก็เป็นคนที่จะชอบเกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยผมก็จะเป็นคนชอบเผีนะครับแล้วก็คือไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็จะพบปุบ P, ๊บซีดีผีหนังผีอะไรไปด้วยอืมอืมทีนี้ผมเนี่ยไปรับทำฟ้าที่ อ, อําเภอไม่ใช่ไม่อำเภอดีกว่านะในจังหวัดสุราษฎร์ น, นะครับแล้วก็ ตอนนี้ผมไปเช่าตอนแรกเลยอะ่ะคือเราคุยกันว่าถ้าเราจะไปเช่าแบบว่าห้องายวันอยู่อืมมันไม่คุม้มเพราะว่าเราเป็นลูกน้องไปด้วยและลูก น, น้องในแต่ละคนมงคลเขาก็มีครอบครัวไปอย่างเงี้ยอืมเขาก็อยากที่จะอยู่เป็นส่วนตัวก็ต้องเปิดให้เขาทุกคนคืนละห้าร้อยต่อคนผมไม่ต้องคิดทะนวนแล้วผมว่าเราไปหาเช่าแบบเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่เลยมั้ยเรเป็นบ้านเช่าอยู่เลยแล้วเราก็มาอยู่รวมกันตอนนี้ทุกคนเขก็พอผมพูดอย่างนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าได้ ตอนแรกก็เช่าเป็นสองห้องอยู่ก่อนอสองห้องอยู่ก็คือว่าจะรวมกันห้องละสองครอบครัวส่วนตัวผมนี่ยก็จะมีแค่ผมกับลูกชายนะฮะแล้วก็ผมก็จ ะ, ะมาเขาจะเล็กมากผมจะลากกุเลเงๆไปด้วยนะฮแล้วผมก็ พักอยู่กับอีกคนหนึ่งอ่ะเขาชื่อว่าเปิรตครับแล้วเขาก็มีแฟนของเขาอืม mm hmm. ท น, นี้เนีตอนแรกเราอยู่ชั้นบนก่อนคือว่าจะต้องบอกว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะมีอย่างนี้เป็นตึตกแล้วก็จะเป็นที่วีชั้นล่างเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นบ้านเป็นห้องเช่ากบบเป็นบ้านติดพื้น mm hmm. แต่ตอนแรกเนี่ยเราเรื่องที่จะอยู่แบบเป็นตึกกนก่อนอืม mm hmm. พอตอนที่อยู่เป็นตึกเนี่ยตั้งแต่คืนแรกเลยที่เข้าไปเบิรต mm hmm. เขาพูดขึ้นมาในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผม ผมฝันหรืเปล่าไม่รู้คือลักษณะของการนอนแล้วครับพี่แจง<ะ>ห้องที่มันเป็นแบบเข้าไปสิ่งปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยแล้วจะมีห้องน้ําแค่นั้น<ะ>แล้วก็จะมีเตียงให้เตียงหนึ่งอันนี้เบย์เขาก็จะให้ให้เกียรติเราว่าเอันั้นก็พี่ก็นอนข้างบนก็แล้วกันผ<ะ>มก็นอนข้างบนเตียง<ะ>นนทั้งทั้งที่จริงเขาก็มีครอบครัวเขาจะนอนบนเตียงเนี่แต่เขาก็เห็นว่าเราเปคนออกเงินเลยเขาก็เลยไม่เกียรติเรา เขานอนอยู่ข้างล่างแล้วมันจะมีเอราวาา่าผ้าประจำห้องที่เขามีไว้ให้เป็นเหล็กแบบเหล็กที่เขาเชื่อมติดห้องไว้เลยอะ่ะยึดติดกับผนังไวเลยเขานอนหันหัวไปทางราวนั้น mm hmm. ผมก็ถามว่าทําไมหันทั้งนั้น mm hmm. เขาบอกว่าไอ้ทางที่ ท, ที่ที่เตียงที่ห้องเขาบังคับให้หันเนี่ยมันเป็นทิตตะวันตก mm hmm. ผมก็เลยแบบว่าผมไม่ได้ถือไงเพราะผมวนสวดมนต์ผมก็ไม่ใส่ใจอะ่ะสวดมนต์พระอย่างหัทนที่ไหนก็ได้ดีหมด แต่เขาถือเขาก็เลยนอนนอนแบบว่าผมหันหัวไปทางเขาหันหัวไปทางอแล้วเขาก็ว่าในตอนเช้าเขาเล่าให้ฟังเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนจะกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่เขาเดาว่าน่าจะเป็นฝันออืเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยคือยืนในลักษณะของแก้ผ้าแก้ผ้านะครับคือไม่มีเสื้อผ้าชิ้นเลยและยืนตุ้งค้งอ่ะมองมอ ง, มองกลับมาคือมองว่าใกล้หวังขากลับมาออตาเจอตากับเขาออ ยืนตรงไหนอ่ะ <Okay. S 2> ก็ไม่มีที่ยืนเลยเขาบอกไม่รู้แต่เป็นจลืนราบกลืนเหมือนมันมีที่ยืนแล้วเขาก็ยืนได้แล้วเขายืนอยู่ใต้ราแล้วแหละแล้วก็มองรอดวังขาตัวเองกลับมา mm. แล้วก็ตกตาับเบิดครับ <Okay. S 2> ซึ่งผมก็ผมก็แซวเล่นแต่ว่าเฮ้ยถ้ามันจะต้องมีคนเจอสมมติว่ถ้ามันจะต้องมีคนเจอมมนจะเว้ยเองเชื่อเรื่องสักขันหัวไปที่ตะวันตกใช่ไ่มแล้วทําไมแล้วทำไมที่ไม่เจอวะเ <Okay. S 2> มย์เขาบอกผมก็ไม่รู้ไงคนถึงได้บอกว่ามันน่าจะเป็นฝันหรือเปล่าอื ก็เลบอกอแล้วไปแล mm ้นี้ก็คืนแรกก็ผ่านไปก็ผ่านไปสอสองคืนไม่้องสามคืนเนี่ยเเขาบอกเขาจะฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ตลอดเหมือนเดนอนู่ใ้องมันทํากแต่ที่แรกเลยคือไม่ใสสภาพ้าไปกินผมก็คือตอนแรกผมคิดในใจว่าคนแหลไปคิดลาวมุกกับคนอื่นหรือเปล่าจเก็ไปฝันอว่ารืคิดจริงจรงเเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอมันกืผีแกผ้าแล้วในความคิดผมแล้วแล้วก็เองคืนนั้นแล้วเบอรเขาได้ั่ง กินเหล้ากับอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเขาคือก็อยู่ห้องข้างกันที่เป็นเป็นยิงานเดินไปเยนยครัะเขาบางคนหามาไงเขานั่งกินเหล้ากันแล้วเขาก็วิ่งกลับมาหาผมหน้าตื่นเลยเขาบอกเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไันได้ฝันเห็นหมาเพราะว่าไอ้เพื่อนห้องข้าอีกคนหนึ่งไยที่เขาหามาเป็นเป็นลูกพินเนี่ยก็เจอเหมือนกันเจอเป็นผู้หญิ ง, ง, งแก้คผ้าเหมือนกันแล้วก็เดินเวียนอยู่ในห้องเหมือนกันซึ่งผมบอกเลยว่าอพาร์ตเมนต์มันมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ทุ่ยใหญ่โตแล้วแจกแต่ว่า คือมีคนพักน้อยมากเน่ยนับห้องได้มัง้งแล้วเรนก็จะลอ็ลอกไว้หมดหแล้วท่าที่เราไปอยู่เราสังเกตว่าเหมือนมันจะไม่มีขยู่จริงมันล็อกไว้เฉยผมก็ไอ้ท่านเ็นยีย์ก็ไม่สบายใจแฟนของเพิร์ลเขาแฟนของคนที่มาทำด้วยเลยเขาก็เกิดอาการกลัวแล้วแต่ก็ไปคุยเลยไปคุยกันตรงตองเลยอะ่ะเขาก็ ไม่ได้ขัดอะไรจะทำเลยครับที่เราจะขอย้ายแต่เราไม่ได้ย้าอยออกเลยหรย้ายจากเขาบน ล, ลงมาข้างล่างเพราะว่าผมขอเช่าเขาแค่สเดือนเรนกากล่าวว่าเดือนกว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ถึงหรอกแต่ว่าเรากล่าวว่าเปลือกเก่งงานเปลือเจ้าของบ้านเขาไม่พอใจเพราะว่าทําทั้งตึกผมไม่ทําแต่ฝ้าผมทาสีให้เขาด้วยเนี่ยมันต้มีการทำ ท, ำทำั้งร้านทำอะไราเงี้ยก็เขาก็เลยบอกกได้ก็ย้ายลงมาได้พอเราย้ายลงมาอยู่ข้างล่างก็นด้ว่าจะไม่มีอะไรแล้ว งานอะไรทุกอย่างเป็นเหมือนปกตินะครับพี่แจ๊คแต่มันจะมีที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ผมเขาไปอาบน้ําคือจะต้องบอกว่าไอ้ห้องข้างล่างเนี่ยมันจะใหญ่กว่าห้องบนหน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นเหมือนเหมือนบ้านที่ติดกับพื้นเข้าไปถึงปุ๊บจะมีห้องกลางออืแล้วก็มีห้องนอนห้องเดียวแล้วก็ไปข้างหลังจะเป็นห้องน้ำกับห้องครัวโอเคมันจะใหญ่กว่าข้างบนหน่อยหนึ่งทันี้เวลาที่เราเขาไปอาบน้าหรือทำอะไรเนี่ยไอ้ห้องน้ําเนี่ยมันจะอยู่ พูดง่ายว่าผนังห้องน้ำกับหลังห้องนอนที่มีอยู่ห้องเดียวในบ้านเนี่ยมันเป็นผนังเดียวกันครับผมก็จะได้ยินเสียงคนเดินซึ่งผมออกมาจากห้องเนี่ยผมจะล็อกประตูแล้วเขาด้ห้องเนี่ยมันจะมีทั้งกระเป๋าเงินอ่ามีทั้งสมุดที่เราจดบัญชีที่เขาทํางานรายวันอย่างนี้เลยครับอยู่ในนั้นมข้าวของเครื่องใช้ของเราครับแต่ผมจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องนั้นตลอดอืมมันจะเป็นไปได้ไหมมว่ามันมีใครแอบเอากุญแกเราไปปั๊มเพราะว่าผมกระดิกกับ ว่าอีกสองสคนทาง4ี่คนที่ว่าหามาและเป็นคนของเบิร์ดเขาเราไม่รนะู้จักเนี่ยคือเป็คนพื้นที่จะเป็นไปได้ไหมแล้วก็อีกอย่างก็คือจะมีกลิ่นเหมือนของย่างของปิ้งที่ไมไมๆอ่ะพี่แจัดอ่านึกนึกกลิ่นออกฮะกลิ่นไห่ไหมของพวกเนื้อย่างหมูย่างอะไรพวกนี้ฮะใช่ครับซึ่งผม อ, อกมาเลยผมจะถามจะถามเมียเมียของเจเบิร์ดเนี่ยถามเขาตลอดว่า เราได้ทําอะไรทำของข้าวเพเขาจะเรับหนา้าที่เป็นแม่บ้านมผมให้เราทำแม่บ้านเลยเถอะแล้วก็อ่าเหมือนกับจ่ายค่าแมาบ้านเลยเอาเงี้ยก็ให้เงินรายวันเขาอะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นหน่วงเรื่องกับข้าวเลยเขาก็กเขาไม่ได้ทำอะไรปิง้งปิ้งย่งยางๆเลยละถ้าทอดก็คือทอเดเสร็จแล้วก็เอาขึ้นคือไม่เคยปล่อยให้อะไรไห ม, มผมเลยบอกเชื่อมาทุกครั้งที่พี่เข้าห้องน้ําที่ได้กินเหมือนเนื้อไหมเลยตลอดเลยเบอื์เขาบอกคิดมากมังพี่ ก็บอกเล่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเราย้ายลงมาแล้วนี่เนาะอืแล้วสิ่งที่ประหลาดอีกอย่างก็คือลูกชายผมเนี่ยตอนนั้นเขาเพิ่งจะสั้งสองรวบเขาไม่กล้าจะอยู่ในห้องนั้นคนเดียวแล้วจะอไม่เดินผ่าน้องนั้นคนเดียวครับ ถ, ถ้าเกิดว่าผมยินทําอะไรที่ในห้องก่อนที่เขาจะเข้าห้องได้เนี่ยผมจะต้องเรียกให้เขามาหรือไปอุ้มเข้ามาอืเขาจะยืนมองหน้าประตูมองแบบไม่พูดเลยคือเด็กสองขวบเลยสองขวบกว่าก็พอจะพูดรเรื่องกันแต่ก็ไม่พูดเลยยืนมองอย่างเดียว ไม่กล้าเข้าเรียกยังไงก็ไม่เข้าผมว่า อ, อืมมันเป็นอะไรติดปะะักมั้งเพราะว่าห้องเนี่ยมันจะคึบหน่อยแล้วมันไม่มีหน้าต่างก็ เ, เป็นห้องอยู่กลางกลางห้องเช่าอีกทีเป็นห้องในห้องเลยสง<ะ>สัยคงเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ร้อนทันทีก็ผ่านไปเรื่อยลูกผมจะมีอาการอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งก็จะวิ่งออกจากห้องเราแปลกๆถ้าเราบัเอเิญไปหลอกมาก่อนอจนวันที่ผมจะต้องจ่ายเงินรุกน้องค พี่จะเคยเห็นไอซีดีที่มันเป็นจอทีวีเลยใช่ไหมครับแบบพับพขึ้นตรอ๋อเคยเคยเคยฮะอ่าท่านี้ผมก็จะมีแผ่นซีดีที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องผีครับอ่าผมว่างี้ดีกว่านะซีดีที่เล่าเกี่ยวเรื่องผีเนี่ยในสมัยนั้นนะสี่ท่าปีแล้วนะครับผมก็มีแผ่นอย่างนั้นนหะแล้วผมก็จะเปิดฟังวันละหน่อยวันละหน่อยท่านี้ถ้าเกิดว่าใครเคยฟังเกี่ยวกับ แข่งพวกเรื่องผีอย่างนี้ในการก่อนที่จะเข้าเรื่องผีเนี่ยมันจะมีการจวหัวอย่างเช่นบางทีก็จะเป็นเสียงผู้หญิงเดินออืใช่เขาเรียกว่าเป็นเกประตูเป็นจิงเกิลของของของเขาอ่าแล้วก็เป็นเสียงแบบว่าผู้หญิงกรี๊บบ้างอะไรบ้างแต่ละเรื่องก็จะไม่เหมือนกันไปเรื่อยอันนี้ขึ้นต้นเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าเอาวิเ่องไห์ขึ้นต้นเรื่อนี้แล้วเป็นเรื่องเล่าให้ผู้จัดนึกภาพตัมนะครับว่าผมนั่งอยู่ในห้อง ผูชายผมเนี่ยออกไปเล่นกับคนงาน<ะ>คือเขาไม่อยากอยู่ในห้องอยู่แล้ว<ะ>คนงานก็เรียกออกไปนั่งเล่นอะไรและทีวีเนี่ยผมก็ยกให้เขาดูกันคุน้องห้องผมนั่งอยู่ในท่าคือกเข่าขึ้นข้างหนึ่งนั่งกับพื้นนะฮะแล้วก็จดสมุดท่านี้ผมก็หันไปซีดีเนี่ยมันอยู่ซ้ายมื อ, อมผมก็หยิบแผ่นซีดีเนี่ยใส่โหลไปะนะครับแล้วผมก็ปล่อยให้มันเล่นเองเพราะธรรมชาติมันจะเล่นเองอยู่แล้ว รีโมทผมก็หยิบองเราฝังขวาคือว่ามีอะไรเราก็จะเอามือขวาหยินบนะท่าน mm ่ะ hmm. นั่นคือรีโมทกับเครื่องอยู่บนกระถางแล้วนะ <Yeah. S 2> แล้วไม่มีใครไปแตะเราผมก็ใส่ลงไปแล้หลวหัวก้มลงกําลังจดไก้สักประมาณชื่อคนสอคนเนะี่ยผมก็ว่าเฮ้ยมันนานแไปวะทําไมไม่เล่นวะ mm hmm. หรือแผน่นกระดุนผมก็เงยหน้าไปมองพี่แจ็ค mm hmm. มันเหมือนมันรอจังหวะที่ผมเงยมองม mm hmm. ตัวเลขที่มันกําลังขึ้นอยู่ที่ กำลังอ่านแผ่นปุ๊บแล้วขึ้น 1, 2, งสอคือมันไปเองเลยนะมันข้ามไปเองเลย 3, 4เหมือนมันข้ามแท็กไปเงี้ยฮะใช่ครับมันข้ามเองดีหมดอยู่ฝัางขวาห้าหกเจ็ดแปดไล่ไปเรื่อยเรี่อยเร่พอมาถึง 10, 11, 12มันหยุดแล้วมันเล่นพี่แจ็ครู้ไหมครับว่าโจวข้อความมันว่าไงว่าคุณ คิดว่าคุณอยู่ในห้องคนเดียวอคุณคิดผิด อ, อันนี่คงจะเลย้ออกช่ไหมอ้โหแล้วผมก็เอ้ยคือในผมรับในมุมคนรู้ผมก็นั่งน่งๆว<ะ>่ามันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าวะที่มันจะข้ามมาถึงเรื่องที่สิบสองเป๊ะผ ม, ามําได้เลยออืแล้วมันก็ขึ้นมาเนี่ยแล้วคือคุณอยู่ในห้องคนเดียวครับ<ะ>แล้วผมก็เริ่มคิดย้อนและไอ้กลิ่นเหม็นไหม้ไอ้เสียงคนเดินในห้องนะะในขณะที่เราลอก แล้วลูกเราไม่ยอมเข้ามาอยู่ในห้องผมก็เลยเั้นต ง, งิตริงๆเป็นตอนนั้นแหะความเย็นจับผู้หัวใจเป็นไงเราจะรู้สึกได้ใช่ไหมครัคือ ถ, ถึงมันไม่เห็นเป็นตัวก็เถอะแต่รู้สึกว่ามันจะต้องมีอแลรแน่เลยมันต้องมีและแน่เลยผมก็ลุกออกมาข้างนอกคนละน้องถามมาแสงสว่าพี่คือเขาเตียมจะหลับฟังกันไงผมก็บอกผมยังไม่จดเลยจะได้ฟังถัดไปอื่ะทําไมอพี่ข้างในมันร้อนผมก็พูดแค่นี้นะเราเอามานล้างแล้วประตู ทนนีนี้ไอ้เจ้าลูกชายผมเนี่ยเขาก็วิ่งเล่นกับกับแสงของเจ้เบิร์ดวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วเขาก็ไปหยุดหน้าประตูอมแล้วเขาหันไปมองผมก็หันไปมองลูกชายผมเนี่ยคือจะลังกดเครื่องนี้แรกอยู่แล้วก็หันไปมองปุ๊บจะดูว่าเขาจะทําท่า ย, ยัางไง<ถ>เราเพิ่งจะเจออะไรมาในห้องแปลกๆดูวิง่งอย่างไรเขายืนมองอยู่า น, นานๆมากซึ่งปกติเขาไม่มองเขาจะกลัวเขาจะมองแต่ดเดียวถ้าจะมองนานๆจริงคือผมอยู่ในห้องแล้วเขามองอยู่งันนะจนว่าผมจะไปอุ้มหรือไปเรียกเขามา ตอนนี้คือไม่มีใครอยู่แล้วเขามองมันผิดสังเกตออผมก็เลยมองรู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปอยืนนิ่งเลยลูกผมเหมือนโดนตาทารบเลยผมเลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปค่อยๆกอดเอวเขาออืเขาก็สะดุ้งนะสะดุ้งนิดๆนะแล้วหันแล้วมองหน้าผมผมก็เลยถามว่าหนูมองอะไรลูกออืเด็กสองขวบกว่าแล้วครับออืเขาค่อยๆมองจับตรงบริเวณที่นอนสายตาเขาว่าอยู่ตรงที่นอนครับผู้หญิงออื ผิวดำอุ้มเด็กไ<อ>ต่ไปบนกำแพงแล้วแล้วก็มองเลยตามขึ้นไปนเรือ่อยๆมาพูนะมอ ง, งเลยตามตามตามขึ้นมไปข้างบนแนละ้วพ่อลึงเด็กไปด้วยกูจะแกคือทุกคนในบ้านตอนนั้นแล้วมันกำลังโผเกอ่ะใชครับคือเหมือนโยนสตางคหมดะะ<อ>แล้วแล้มมองหน้ากัน<อ>ผมกดิตัดสินใจอุ้มลูกเดินมาแล้วถามอ่ กูถามตรงๆกะบพี่จิ๋วกันที่เนี่ยไม่เคยมีใครได้กินอะไรไหมนอกจากกูคนเดียวจริงหรอวะ<ฮ>ทุกคนก็เลยบอกจริงๆก็ได้กินกันหมดแหละแต่พวกกมไม่อยากพูดถึงงั้นอือ้เบิร์ตก็เลยบอกเพื่อนเลยว่าเอาแล้วทำไมมึงไม่บอกกูก็ได้กินมันก็เถียงกันเถียงกันมาเงี้ยค<ฮ>รงส่วนจะอยู่ไม่ได้<ฮ> อ, มอๆๆืมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับกลิ่นนีแน่ะมันต้องมีมันต้องเป็นทั้งเป็นแหละทำไมไม่ใช่แค่ทั้งบนมันเลย ก็เลยถักถ้าจะไม่อยู่กันและจะต้องของเงินคืนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เงินคืนนะขอแรกอย่างเดียวบอกมาว่ามีอะไรแล้วเราจะไปทปําบุญเจ้ของห้องเขาก็ไปเบี่ยงเขาบอกไม่มีเราจะคืนเงินไม่ได้แล้วเราคุณมาเช่าแบบว่ามันเป็นยุคคาแล้วคุณก็ไม่ได้วางประกันแหละคุณบอกว่าคุณอยู่สองเดือนคุณจ่ายสอเดือนมันก็คืนแต่มาคืนอะไรคือเขาก็ครับเขาพูดถึงขูอของเขาขอขาแต่เราก็ต้องการจะบีบเขาพูดแค่นั้นแหละ แต่ว่าคนที่ที่เขาอยู่ที่ตึกนั้ น, นะอืะเขาก็เลยมาพูดกับผมฟังทีหลังตอนที่ผมเดินลงมาซื้อของครัว่าตึกเนี้ยมันเคยเป็นตึกที่โดนไฟไหม้มา ก, ก่อนโอ้โหมีคนตายเยอะมากมน่าจะไม่ต่ากับาสิบศพครับแล้วเขามาซื้อแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงทําอะไรใหม่ทุกอย่างเพราะว่าสภาพที่มันไหม้เนี่ย โดยส่วนใหญ่จะไม่ชั้นล่างส่วนชั้นบนเนี่ยจะเป็นผลกระทบคือคนสำนักควันตายโอ้โหได้ข่าวว่ามีหญิงขายบริการสำนักคนตายอยู่ข้างบนอ๋อมันก็ตรงกับที่จะเปิดประเด็นย่เงี้ยครับแล้ก็ตายในสภาพ เ, เปื่อยเปล่านี่คือที่เขาบอกมาครับครับตอนทนี้เราก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเลยว่าตอนที่เราอยู่ข้างบนเราเจออะไ ร, รแต่เขาบอกว่าเขาสังเกตแล้วว่าเห็นเราย้ายลงมาแบบแบบไม่มีเหตุนผลอะอยู่ข้างบนมัน่าดีอยู่แล้วแล้วข้างบนเนี่ย มันก็จะมีลมโกกลมผ่านก็เย็นดีด้วยครับย้ายลงมาอยู่ล่างมันจะเป็นเหมือนเป็นซอยเดินเข้ามาซึ่งอยู่หน้าตึกมันจะเป็นมุมแบบแต่เรากลับเลื่อนมาอยู่ล่างเขาก็บอกแล้วว่าเขาเห็นแล้วผิดสังเกตครัท<ะ>่านี้ผมก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆในเมื่อเรารู้แล้วนะก็พยายามทําบุญอยู่ต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรที่มันจะทําให้เราผิดสังเกตได้นอกจากบันทีซีดีผมเล่นเองและผมจะเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีแนวผีอื ในขณะที่เรานอนแหละไอ้แผ่นผีมันก็จะเล่นขึ้นมาหรือบางทีก็จะเป็นแบบหลัผีเล่นขึ้นมาแต่ที่ปลกทีสุดคือหลังจากทังเตะไอ้กายไม่บ่อยผมเมอแผ่นออกออแต่ตกกลางคืนมันก็ยังมีแผ่นผียังไงเล่นขึ้นมาเฮ้ยเะผมจําได้ว่าผมออกอพีแจ๊าะว่าผมผมรำคาญกับเหตุการณ์ที่อยู่ที่เครื่องมันติดเองครับผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นสวิตอะไรมันค้างหรือว่าเอ๊ะเรากดอะลีโมดแล้วไอ้ตัวสวิตตัวเปิดมันเปิดอยู่มันมีโอกาสไหมที่มันจะเล่นเองครับ งั้นถ้ามาเล่นเองก็ลองเอาแผ่นอมันก็ก็คือเป็นแค่จอสว่างแค่นั้นถูกต้องแต่ปรากฏว่ามันมีแผ่นผีบ้างหนังผีบ้างเล่นเองโอหเหมือนเขาไม่เคยไม่เคยสันไม่เคยอะไรนะครับพี่แจ็คเหมือนเขาพยายามบอกอะคุณจริงใช่เหมือนพยายามที่จะทําให้ผมแบบว่ารู้สึกไม่ได้คือจริงจริงอยากจะบอกว่ารู้สึกนะแต่พยายามที่จะมึนอยู่ออพยายามที่จะมึนอยู่เท่านั้นแล้ว พอผมอยู่อย่างนั้นมากๆเข้าอ่ะแต่เราเป็นคนสนมดมนี่ครับผมก็มไม่รู้แต่ผมโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาคงจะทําอะไรเราได้ไม่ถนัดเขาก็เลยไปเล่นงานเจเบิร์อโดยการทีไปเข้าฝันแฟนเจเบิร์ตเข้าฝันไม่มีอะไรมากเข้าฝันว่านั่งอยู่ชิงช้าหน้าตกในเวลากลางคืนมืดๆและมีตะเกียงอันเดียวจุ ด, จดอยู่แล้วแฟนเจเบิร์ตเนี่ยเขาจะต้องเดินอล่ไปซื้อของคืนในฝันเขาก็บอกไม่รู้ทําไมต้องไปตอนกลางคืนด้วยเดินลงไปเจอผู้หญิงคนเนี้ เขาก็ทักทายไงตามภาษาคนแบบคนบ้านเดียวกันแบบเพียนแต่คนลำเภอ<ะ>เขาก็ทำงานที่นี่ยเขาก็พูภาษาบ้านเขาผู้หญิงคนนั้นก็ค่อ ย, คอยเดินขึ้นมาแล้วยิม้มอ<ะ>หนูหนูหนูออ<ห>ืแฟนจกักรวรรดิเขามาขันมาในฝัน<ะ>หน้าผู้หญิงคนนั้นที่ลุกมายิ้มในตอนแรกเขาเปลี่ยนไปน ะ, ะหน้าเขามือนจริงแล้วเดินเข้ามาใกลย้ยิ่งไกลยิย่งเขียวเขียวจนไม่เป็นหนังแบบเหมือนจะหลุดอยู่แล้วอแล้วก็พูดคําว่าบอก มันให้ออกไปจากห้องกูกูชอบอยู่กับลูกกูสองคนอไอแฟนเจ้เบิร์ดจะสะดุ้งตื่นผมได้ยินเสียงเขาตื่นกันแล้วอะตอนประมาณทักทีสองทีสามเห็นเขงคุยกันเงนแต่ผมคือผมจะตื่นประมาณทีห้าเขาผมตื่นตัวเสียงนั้นผมก็พยายามที่จะหลับปะโอาเดี๋ยวทีห้าเราก็ตื่นแล้วไงเช้ามาเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกพี่วม่ได๋ยวผมตื่น น, นะได้ยินแต่ก็คิดว่า ประ น, น์มาเล่าคุยกันแบบไม่มีอะไรทำบัง <c oughs> เอิญตื่นแล้วก็เรียกเรียกหัวเรีกเมียขึ้นมาเล่าคุยกอกไม่ใช่เรื่องไปงี้อองี้ของอะไรของถลูดแล้วเขาห่วงห้องใช่ไอมก็ <c oughs> เลยไปพูดกับเจ้าของ อ, อีกครั้งนึงว่ามันเกิดเหตุการณ์เมียพี่ <c oughs> เขาก็ทําท่าเหมือนจะไม่ไม่อะไรทั้งนั้นนะ <c oughs> เขาบอกว่าตั้งแต่ทําตึกนี้มาก็ยังไม่เคยมีใครเจอนะ ผมก็ถามมันรู้ได้ไงว่ามีใครเจออ้อนจะเจอแต่ก็ทนอยู่ก็ได้คือราคามันถูกมากคือจะถูกมากจริงครับมันถูกมากถ้าเทียบกับอื่นๆในละแวกนั้นเลยนะครับเพราะผมก็หาอยู่ประมาณเป็นวันแล้วก็จะได้คือราคามันโดดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับที่อย่างที่อื่นเนี่ยมันจะมีห้าพันอัพตลอดประเดือนครับถ้าไม่มีแอร์ก็สามพันหี่คือมันมันแบบมันอยู่ในย่านที่ตะเล่นนะทํางวันทั้งคืแต่ทีเนี่ย มัน1ันห้ากับสองพันแค่นั้นนะมันต่างกันอีกคับเลยโอ้โหต่างกันเยอะมากเยอะมากฮะใช่ครับผมเลยคิดว่าเออมันก็โอเคนะแต่มันก็ไม่น่าที่จะมาเจอกัเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็เนี้ยก็เป็นที่มาองอที่ว่าอย่ายุ่งกับโอ้อคือที่เนี้ยโดนไฟไหม้มาก่อนใช่แล้วเจ้าของมาซื้อก็คือรีโนเวทใหม่ทั้งหมดใช่แล้วก็เปิดให้คนเช่าครับ ผมว่าคนที่รู้ข่าวหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นยังไงก็ไม่มาเช่าล่ะเขารู้อยู่แล้วนี่ถูกปะที่สใจเป็นคนยื่นอ๋อเป็นคนต่างถิ่นครับเอ๋อแต่คุณคิงเท่าที่คุณคิงสังเกตมาคือส่วนมากจะไม่มีคนอยู่เพราะมันล็อกไอ้ตัวตึกเองนยคือเราทํางานเหมาเนี่ยเราพูดง่ายๆเลยว่าบางครั้งเราขยันหน่อยเราก็ว่าลูกทีมเราทําจนเย็นเลยครับบางครั้งเราขี้เกียจหน่อยก็ใบเลิกเลยคือผมจะเวียนอยู่เนี้ยเป็นอาทิตย์ ผมไม่เคยเห็นเลยห้องที่มันล็อกเนี่ยเปิดเลยนะมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ห้องและอยู่ชั้นล่างๆที่เขาอยู่ครับโอ้ซึ่งเราเข้าใจได้เลยว่าห้องพวกนี้ไม่มีคนอยู่เลยฮโอ้น่า ก, กลัวจังเลยอะ่ะคือประมาณว่าเขาเนี่ยพยายามจะบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ที่เนี้ยแล้วพวกเราเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาครับ มันลกากเงินตอนทุกครั้งที่ซีดีเปิด<ห>ผมจะต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วแบบวอในหายใจอ่ะทำข่าเหมือนไม่กลัวคือเราแสดงออกให้เขาเห็นว่าไปผมไม่ได้กลัวคุณเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจอ่ะพี่แจ๊คเราต้องนิ่งไว้ก่อนในใอะโ<ห>ใใอะโในใจมันกลัวเยอะแหละแต่ภายนอกเร<อ>าต้องนิ่งไงถูกไหมเรื่องแพ่นซีดีเนี่ยคือมันแปลกใจมากเพราะว่าผมเพิ่งจะซื้อจากเซเว่นแล้วมันไม่เคยมีการเปิดมาก่อนเลยอะครับ แต่จะต้องบอกว่าผู้นหรือว่าพีบันรู้ว่าต้องเป็นเรื่องที่สิบสองแล้วมันจะพูดคําเนี้แล้วหลังจากนั้นเราพยายามเปิดฟังทั้งแผ่นแล้วพี่แจ็คมันก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ใช้คําว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ในห้องคนเดียวออคือมันเป็นเรื่องเดียวที่เมียเนี่ยขึ้นเป็นั้างหน้าคือกำลังจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะฉันเนี่ยอยู่แค่ไม่รู้จะติดต่อกับคุณยังไงใช่ครับ แล้วก็ขอย้อนเปหน่อยพ be the UH, ี่แจ๊คพี่แจ๊คเรื่องห้องที่มันเป็นเลือดได้ไหมเอาจําได้จำได้จำได้เป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องดมเนี่ยผมคงไม่ดมเพราะว่าผมจาได้ว่าอาจารย์ผมเคยสอนว่าบางทีเนี่ยถ้ามันติดจมูกแล้วมันจะฝังไปในจิตเราเลยนะอืแต่ผมเนี่ยคือผมจะมีกลุ่มเล็กๆที่ผมจะคุยกันกับพ่อแมวคุณกวางคุณอ๊อฟ ผมจะมีกันอยู่แค่นี้แล้วก็คุยกันอยู่แค่นี้พอเวลาเลิกงานเราสั่งคนสั่งเลิกงานเย็นแล้วก็มาคุยกันนิดหน่อยก่อนนอนผมนั่งคุยในห้องนั้นแหละแต่ทุกคนเขาถามผมว่าเป็นไงห้องนั้นผมก็จะตอบไปว่าย้ายแล้วออืคือทุกคนจะได้ไู้จักความห่วงของผมเลยครับครับอ่วันนั้นผมนั่งคุยในห้องนั้นในขณะที่เราเล่าเรื่องผีกัน อ, อยู่ออืแลกเปลี่ยนกันะนะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องครางบ้านตั้แมว เ, เรื่องอะไรอย่าเงี้ย ทุกคนสี่สายได้ยินหมด <Wow. S 2> จังหวะที่เหมือนจะเป็นเรื่องของผองผมน่าจะเป็นผมมั้งครั้งแรกเลยนะ oh. ที่จะได้ยินชัดเจนเลย oh. ตอนแรกมันจะเร็เวๆก่อน um. แล้วพอเรื่องของผมจบปุ๊บแล้วมันหยุดคนเราจะต้องมีช่วงที่หยุดแล้วเว้นวร ก, ก่อนแล้วจะพูดกันต่อเนี่ย um. มันมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าไอ้ oh. ตั้งฟังตั้งนานขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเหรอไม่ใช่เสียงยนะไม่ใช่เสียงคนที่สนทนาอยู่กับเราอีกปลายสายนะ ไม่ใช่ครับคือเถามกันแล้วแล้วเสียงก็ไม่ใช่เราทั้งหมดเลยคือจะมีเสียงคุณล็อบก็เป็นผู้หญิงที่คุยเสียงค่อนข้างจะแบบไม่เก็กไม่แยไม่บีดเสียงส่วนตัวแมวจะเสียงระจํากันได้อยู่แล้วอีกคนหนึงก็เป็นคนณกว่างก็เป็นผู้ชายแล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นมันแปลกกว่าหลาคืออย่านั่งฟังตั้งนานคนลุกหมดแล้วเนี่ยออื มันยังไม่คล่องเลยแล้วนะปลาแมวก็วัวล้อเฮ้ยปลาแมวก็วัวล้อเสร็จพวกพวกผมก็เริคุยกันต่อแล้ ว, ลวพยายามหาที่มาเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีการพุง่งสัญญาณกับที่อื่นที่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนี่มันอินเทอร์เน็ตถ้าโทรศัพท์บ้านอาจจะเป็นไปได้โดนดักฟังไอ้เครื่องที่เขามีซื้อมาแต่นี่มันอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไม่น่าซ้อนนะ กันนั่นแหลก็คุยต่อไปเรื่อยทันนี้พ่อแมวเขาบอกเดี๋ยวถ้าเกิดเราป้าหลับไปแล้วได้ยินเสียงเราพอได้ยินเสียงเงียบไปนี่ก็ไม่ต้องเรียกแล้วนะก็เลยรออ่ะครับคุยคุยคุยไปเสร็จคุณกวางก็เล่าบ้างคุณกวางเล่าเล่าเล่าเสร็จปุ๊บพอตอนจบคุณกวางเขาเล่าถึงเรื่องสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็เล่าถึงความตายของผู้หญิงคนหนึ่งพี่แจ๊คเรื่องความตายมันไม่ใช่เรื่องตลกครับแต่ถลงถึงเรื่องความตายอันน่าสลดของผู้หญิงคนนี้ยมันมีเสียงอ่า วนล้อเหมือนแบบชอบใจจอเหยอะอะเหมือนใจใจอะไรประมาณนี้เหรอใช่ซึ่งผมหายใจไม่ได้ว่านมาจากอะไรแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่ผมอยู่ห้องเนี้ยคือคือครั้งมันมีครั้งหนึ่งคุณครูผู้หญิงคนโทรมาพยายามจะเล่าเรื่องผีให้ผมฟังแล้วเขาก็ส่งคลิปที่มันมาจากกล้องวงจรปิดว่ามันถ่ายติดนี้นะในห้องเรียนซึ่งมันเวลาสามทุ่มตอนนี้มันเด็กนักเรียนไปนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยอื แล้วก็ระหว่างที่เล่ากันเขาก็จะเล่าไปถึงประวัติว่าเขามายังไงนะอ่าพอดีว่าหลูก็มาที่นี่มาทํางานมาเป็นที่นี่นี่มาอยู่นี่ปุ๊บเนี่ยเจอเหตุการณ์อยนี้บ้างอันนี้มันจะมีประโยคหนึ่งพี่แก๊คพี่แจคผมถามก่อนว่าถ้าสัญญาณเน็ตเวียงเนะี่ยการพูดมันจะเป็นแบบแบบใช่ใช่มันจะออกเป็นเหมือนกับคุณนย น, นต์ไม่รู้ตางดาวฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะใช่ครับยังไงก็ไม่รู้จะไม่หลอนเลยนะถูกต้อถูกต้อง แต่ท่นนี้คุณครูคนนี้กําลังเล่าไปถึงพี่จ็จับจุดนี้ให้ดีนะครับจับจุดนี้ดีนะเพราะมันจะเกี่ยวโยงกันทั้งหมดครับคุณครูคนนี้กําลังจะพูดว่าคืออย่างนี้นะพี่คิงและสัญญาณมันตัดไปออแล้วมันก็เป็นคําอย่างนี้นะรู้จู้ แต่ผมไม่ได้ยินเขาถามผมแล้วว่าพี่กีได้ยินตรืไมผมได้ยินแต่ประโยคนี้ หนูมาสอนราไทยแต่เป็นเสียงอย่างเงี้ยคุณครูจะนิ่งไปนิดนึง่ะพี่เคิงหนูยังไม่ได้พูดเลยนะว่าหนูมาสอนราไทยออืหนูต้องการจะบอกกับพี่คิงว่าหนูมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกหนูจะต้องมาสอนนัาากศิลป์หนูจะไม่พูดคําว่าราไทยโอ้โหเลยว่าเฮ้ยแต่เมื่อกี่ผมได้ยินชัดเจนเลยครับ เขาบอกหนูพูดเรื่องจริงหนูจะใช้คนนําว่านักตสินหนูคิดอยู่คิดอยู่หนูคิดอยู่ในใจหนูคิ<ภ>หนูยอมรับว่าหนูคิดจะพูดแต่หนูยังไม่ได้พูดครับ<ภ>ผมก็คุยกันอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสิบกว่านาที<ภ>คุณครูเขาเลยบอกว่าเอาเป็นว่าหนูถือซะว่าหนูไม่รู้แล้วกันว่าพี่จริงจะจะอำหรือเปล่าหรือจะอะไรหนู<ภ>จะแก้งเล่นตลกหรือว่าเดาเอาแล้วมันถูกผมเลยบอกแล้วทําไมผมจะต้องไปเดาว่าเป็นลําไส้อะ่ะครับเขาก็บอกอฟังต่อฟังต่อคือหนูเนี่ยมาสอนนักตัดสิน ก็จะมีการสอนไปทุกอย่างแนะทั้งหน้าตรีลาทั้งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องมีสอนรำไทยด้วยแล้วเขาก็พูดเนี่ยหนูเพิ่งจะพูดนะูนพจะพูดนะแล้วตอนนี้หนูก็นอนที่บ้านพัดหนูฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดแบบชุดแซกแล้วเป็นหลายดอกทำผมทรงดอกกระทุ่มเหมือนอย่างสมัยอายุสองสี่เก้าเก้าอวิสพวกเนี้ย ม, มายิ้มให้ ช้ามาเพื่อเล่าให้พวกพะโลงฟังพลุลงก็ไปเอารูปมาให้ดูว่าใช่คนนี้ไหมออบอกว่าใช่อืมคนนี้แหละเขาบอกอ๋อคนนี้เป็นมะ เ, เ, เร็งในเป็นองที่เหลือสักอย่างเนี่ยเสียชีวิตอืมเขาทําหน้าที่ของคุณนั่นแหละเมื่อก่อนมีเขาสอนความไทยและเสียงนี้ผมได้ยินเสียงใครคืออื้หนูเพิ่งจบมาใหม่ๆอย่างนี้ เป็นงผู้หญิงหนูจะมาใหม่ใหม่หนูมาชวนทมทายอย่างเงี้ยเสียงเงยเหมือนกับสัญญาณมันน่วงถ้าอย่างี้มันัดบ้างพี่แต่นียมันชัดมากเลยอะมันเหมือนเขาจงใจที่จะทำยืดยือให้เราฟังทีละคำเลยอะครับโหยมันมาจากไหนเ่ะ ตั้งใจอยู่ห้องเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นพราะคุณครูลำไทยคนที่ตายไปหรือเปล่าอืมหรือว่าจะเป็นทั้งสองผมกันแน่เพราะตั้งแต่อยู่ห้องเนี่ยมันมีประหลาดเยอะแล้วที่ผมคุยกับพ่อแม่บางทีก็มีเสียงอะไรแทรกมาซึ่งครับซึ่งเราหาสาเหตุไม่ได้โอ้โหคุณคิง อ, อรสรุปแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าอันนั้นเนี่ยเลือดหรือเปล่าคือผมต้องย้ายออกพิจัดเพราะมันปนฝังในห้องน้ำทุกคืนไม่ไหวแล้วใช่ไหม เพรามันปึงทุกคืนพี่แจ๊คบางทีจะโคบกดเองเนี่ยอจะโค ก, กดเองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยจะโคบมันแข็งนะโอ้ยการดดจะกดการจะกดชัดโคกได้เนี่ยผมว่าต่อให้เป็นตัวกดข้างหรือว่ากดด้านบนเนี่ยมันต้องใช้แรงนิดนึงเลยนะในการกดอะถูกป้าเพราะว่ามันต้องเป็นตัวเหมือนกับเป็นดึงลูกลอก ไปดึงฝาให้มันเปิดในน้ํามันจะมีอาการหน่วงอยู่ยังไงก็ต้องใช้แรงหน่อยมันไม่มีทางที่ชักโคกเสียแล้วมันจะเปิดเองได้ไม่มีทางแน่นอนครัโอ้แล้วทุกครั้งที่ผมส่วนมลจะต้องมีไม่ใช่มีเสียงนีจะเรียกว่าเสียงยุบได้มั้งแต่มีคนขึ้นมาลั่งเพิ่มอีกคนตลอดโอ้แต่ผมว่าดีแล้วล่ะคุณคิงที่ย้ายออกคืออยู่ไปผมว่ามันจะเสียสุขภาพจิตนะ เรามันจะเจออย่างนี้แล้วก็มันจะอดคิดไม่ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือคาบอะไรใช่ไหมโอ้โหือผมคิดว่าเราคงเราคงคิดเป็นอื่นไม่ได้เพราะว่าในขณะที่ผมถามถามคนที่เขาเป็นคนดูแลเ ข, เขาเขาก็เบี่ยง ถ้าสมมติเป็นีแจกเนี่ยถ้าพี่แจ๊กเนปะคนดูแลถ้ามันไม่ใช่อย่างไงพี่จะต้องยืนยันอยู่นะไม่ใช่ปา้าจะพาไปดูเดี๋ยวมือไปลูบให้ดูเลยก็ได้นะครั บ, รบมันเป็นน้ําเป็นไหลเขาช่างเขาทําอะไรไว้แต่พอถามเรื่องนี้อะไรเขาจเจ้าเบี่ยงายเบียงไม่พูดไม่ตอบไม่ไม่คุยคือเปลี่ยนเรื่องเลยอะ่ะ<อ>ป้าครับไอ้ข้าข้างบนนี้มันค้าอะไรครับป้านี่ป้าจะบอกอะไรให้นะป้าไปตลาดม า, ม า, าเมื่อเช้าของกําลังลดราคาเลยลูกหนูซื้อดิมันประหยัด ป้าผมถามเรื่องฟ้าลน้ําครับป้าไปตลาดก่อนป้าไปซื้อของก่อนแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกครั้งเลยผิดปกติแล้วดีแล้วคุณคิงออกเือเสียสุขภาพจิตครับต้องมานั่งลุ้นนั่งคืนนี้จะเจออะไรวะแล้วก็ต้องมานั่งนั่คิดว่าคาบอะไรวะผมวทุกอันแจ็คชะโคกทุกวันเวลาหลายรอบมากเลยนอกจะเรื่องผีที่ต้องมากลวยต้อมาคิดเรื่องขคาน้ําเหมือนกันวันนี้ยังปกติต้ออะไรนะโอ้คุณคิงครับคุณนี่ ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังแล้วนะผลลุขึ้นตัวเลยฟังเรื่องคุณคิงแบบโอ้ยตั้งแต่เรื่องของคุ ณ, <ต>คณอามเมื่อสักครู่นี้นะมาต่อเรื่องหองคุนินตายตา ย, ตา ย, ต, ายตายวันนี้กลับบ้านไปมันต้องหับมัต้องนอนแล้ววันเนี้ยเอาผก็นะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบไม่จะเรียกว่าเจอทำไมมันก็ไม่ใช่พี่แจ็คจากเรื่องที่สุราษฎนระ์มผมไม่ได้เจอถ้ามันเกิดเหตุการณ์รอบๆตัวผมแต่อย่าลืมว่าเจ้าลูกชายหองคิงอ่ะเจอนะ ใช่ เ, เนี่ยคืนอนเขานะเขาเห็นเลยและทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้นะครับเวลาที่ผมเล่าให้ใครฟังเนี่ยถ้าเขาได้ยินอยู่ขพาะทุกวันนี้เขาหกเจ็ดขวบแล้วนะแต่เขาได้ยินเหมือนเขาจําได้เขาจะกระโดดมานั่งต่างผมมาตัวสัน<ร>่นทุกครั้งเลยครับไม่ใช่อ่ะดีคือน้องคงเห็นแหละเพราะว่าเด็กสองขวบผู้ฟังจะมานั่งพูดแบบจินตนาการมาโนไปเองมันไม่มีทางเป็นไป ไ, ได้อยู่แล้ว เห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวดำๆอุ้มลูกตายกำแพงขึ้นมาแล้วมองตามโบโนนาอกโอ้โหใช่ใช่เลเดี๋ยวพูดเขายเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนทีนิีนดเหมืนอนเขามองตามมาครับโอ้เด็กสองขวบไม่มีทางที่จะคิดเองคิดพุกเนี้ยเรื่องพวกนี้เองได้อยู่แล้วอ่ะเขาต้องเห็นแล้วเขาก็ต้องพูดเลยอะ่ะออนั่นแหละดีแล้วฮะผมว่าออออกเอออย่าไปอยู่เลยฮะ เสริมเสริสุขภาพจิตนะครับได้คุณกิงครับยังไงขอบคุณมากมากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคิงออฟโค้ดของผมคิงออฟโค้ดของพวกเราโอ้ยไม่เคยผิดหวังฮะเดี๋ยวคราสหน้าเราคงได้คุยกันใหม่นะคุณริงนะครับได้ครับคุณจริงเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ